สามสิบเอ็ดทรี้่ร้านอาหารสาม r อร์สต <restaurant> ู a ์รังทเร่ดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะฉันอยากได้สลัดค่ะ ดิฉันอยากได้ซุปค่ะดิฉันอยากได้ของหวานค่ะดิฉันอยากได้ไอสครีมใส่วิปครีมค่ะยายอยากได้ a อซ์เมื่อครีมฟลเต ดิฉันอยากได้ผ ล, ลไม้หรือชีสค่ะฉันอยากไ้ม้หรือชีสค่ะฉันอาก้ผลไมรทานอากา้ห Vi รืชนอากได้ผ้หรือชีสค่ะฉันอากไ้รอชอาก้รทอนอาหารนอาหรากลไงวรัน Vi v ก l l g ผลไม้หรือชีสค่ะฉันาต้องการทานอาหารเย็น อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะว่าอันส์คือดู ha til ิฟรุกคัสขนมปังกับยมและน้ำผึ้งไหมคะรุ n นสติ๊กเกอร์เมื่อสุลขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะทอเมซอส ไข่ลวกไหมคะ t cooked egg. ไข่ดาวไหมคะ It's i l e d egg. ออเล็ตไหมคะ a omelette. ขอโยเกิร์ตอีกหนึง่งถ้วคยค่ะ a n a e yogurt? ขอเกลือและพริกไทยด้วยคะ่ะ ขอน้ำ g få salt pepper? s า l t o หนึ่ p แก้ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะขอน้ำเปล่าอีนึ่งลอ